เศรษฐีชาวกรุงราชครือเห็นแล้วได้กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าข้าพเจ้าจะให้สร้างวิหารพระคุณเจ้าทั้งหลายจะอยู่หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเสนาสะนะห้าชนิดคือวิหารเรือนมุงแถบเดียวปราศาสเรือนโลน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 หน้าต่างมีลวดลายทำเป็นกระงหน้าต่างมีตาข่ายหน้าต่างมีลูกกรงผ้าผืนเล็กสำหรับกั้นหน้าต่างม่านหน้าต่างทรงอนุญาตย่ารองนั่งต่างไม้เตียงสารเตียงชนิดมีแม่แคร่สอดเข้าในเท้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าต่าง มีแม่แคร่สอดเข้าในเท้าเตียงมีแม่แคร่ติดกับเท้าตังมีแม่แคร่ติดกับเท้าเตียงมีเท้าดังก้ามปูตังมีเท้าดังก้ามปูเตียงมีเท้าจดแม่แคร่ตังมีเท้าจดแม่แคร่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 ที่อยู่พวกเดียวระถีมีสีขาวแต่พื้นดำพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตสีขาวสีดำสีเหลืองในวิหารทรงอนุญาตดินปนกแกลบบดินละเอียดอย่างไม้แป้งเปียกดินปนกแกลบบแป้งเมล็ดพันผักกาดขี้พึ่งเหลวแป้งหนาเกินไป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 ทรงอนุญาตให้กั้นห้องไว้ด้านหนึ่งในวิหารเล็กเรื่องเชิงฝาวิหารชำรุดฝาผนังวิหารถูกฝนาสาดเรื่องงูตกจากหลังคามุงย่าลงมาที่คอของภิกษุท่านตกใจร้องเสียงลั่นทรงอนุญาตไม้เดือยติดฝา ราวจีวรระเบียงกันแผงเลื่อนฝาค้ำเรื่องทรงอนุญาตราวสำหรับยึดขึ้นหอฉันผงยาที่มุงหอฉันดังกล่าวในหนหลังตกเกลื่อนภิกษุปูจีวรบนพื้นดินกลางแจ้งน้ำดื่มถูกแดดจึงร้อน ทรงอนุญาตสาลาน้าดื่มไม่มีภาชนะสำหรับตักน้ำเรื่องวิหารไม่มีรั้วล้อมสมประตูไม่มีบริเวณเป็นโคลนตมทรงอนุญาตสาลาไฟเรื่องอารามไม่มีรั้วล้อมสมประตูดังกล่าวในหนหลังไม่มีทรงอนุญาตปูนขาว เรื่องอนาถบินิกะขหบดีมีศรัทธาในป่าสีตะวันเห็นธรรมแล้วกราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาค พ, พร้อมกับภิกษุสงฆ์ไปจำพรรษาณกรุงสาวัตถีระหว่างทางท่านอนาถบินิกะขหบดีได้ชักชวนประชาชนสร้างอารามพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตนวกรรม ในกรุงเวสาลีเรื่องพวกภิกษุฉับ พ, พักขีล่วงหน้ารีบไปจองเสนาสนะเรื่องใครควรได้พัดอันเลิศทรงแสดงติติเรียพรหมจันทร์ทรงแสดงบุคคลที่ไม่ควรไหวสิบจำพวกเรื่องพวกอันเตวาสิก ของพวกภิกษุฉับพักขีจับจองเสนาสนะเรื่องประชาชนตกแต่งที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ในละแวกบ้านตกแต่งเตียงดังยัดนุ่นพระผู้มีพระภาคเสด็จกรุงสาวัตถีอนาถบินดิกะขหาบดีถวายอารามเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในโรงอาหาร พวกภิกษุฉับพัก ค, คีบังคับภิกษุเป็นไข้ให้ย้ายที่พวกภิกษุฉับพัก ค, คียึดเอาที่นอนดีๆกีดกันอาสนะไว้โดยอ้างเลสพวกภิกษุสัตตะระสวักขีซ่อมแซมวิหารอยู่จำพรรษาในที่นั้นภิกษุปรึกษากันว่าใคร จะพึงจัดแจงให้ภิกษุถือเสนาสนะภิกษุเจ้าหน้าที่จัดแจงให้ถือเสนาสนะปรึกษากันว่าควรให้ถือเสนาสนะอย่างไรพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้แจกตามจำนวนที่นอนตามจำนวนวิหารตามจำนวนบริเวณทรงอนุญาตให้แจกส่วนเพิ่มอีก เมื่อไม่ปรารถนาก็อย่าให้พวกภิกษุให้ภิกษุอยู่นอกสีมาถือเสนาสนะพวกภิกษุหวงเสนาสนะไว้ตลอดเวลาทรงสแสดงการให้ถือเสนาสนะสามอย่างท่านพระอุปนันท์สากยบุตรจองเสนาสนะ พระผู้มีพระภาคทรงพันนาคุณแห่งพระวินัยพวกภิกษุยืนเรียนพระวินัยทรงอนุญาตให้นั่งบนอาสนะเสมอกันเรียนพระวินัยภิกษุหลายรูปนั่งบนอาสนะระดับเดียวกันทําให้เตียงหักทรงอนุญาตให้นั่งได้เตียงละสามรูปสองรูป ทรงอนุญาตให้นั่งบนอาสนะยาวร่วมกับผู้มีอาสนะต่างระดับทรงอนุญาตให้ใช้สอยปราศาสตร์มีระเบียงสมเด็จพระอิยิกาของพระเจ้าปเสณที่โกศลที่วงคตเครื่องกับปิยพันธ์เป็นจำนวนมากเกิดขึ้นแก่สง์ภิกษุจัดแจงเสนาสนะสง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 ทาสีดำทาสีเหลืองมุงหลังคาผูกมัดหลังคาติดไม้หลบหลังคาปฏิสังขรเสนาสนะที่สุดโสมขัดถูให้นวกรรมยี่สิบถึงสามสิบปีให้วิหารที่สร้างเสร็จแล้วชั่วเวลาควันไฟพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุ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 10ปี12ปีพิกษุให้นวกรรมวิหารทั้งหลังพิกษุให้นวกรรมสองแห่งแก่พิกษุรูปเดียวพิกษุรับนวกรรมแล้วมอบให้พิกษุอื่นพิกษุรับนวกรรมแล้วกีดกันเสนาสนะสงไว้พิกษุให้นวกรรมแก่พิกษุผู้อยู่นอกสีมา ภิกษุรับเอานะวะกรรมแล้วหวงไว้ตลอดเวลาภิกษุรับเอานะวะกรรมแล้วหลีกไปศึกมรณภาพปฏิญญาเป็นสามเณรปฏิญญาเป็นผู้บอกคืนสิกขาปฏิญญาเป็นผู้ต้องอันติมาวัตถุปฏิญญาเป็นผู้วิกลจริปรตปฏิญญาเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านปฏิญญาเป็นผู้กระสับกระสายเพราะเวทนา ปติญญาเป็นผู้ถูกลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตปติญญาเป็นผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตปติญญาเป็นผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สล ะ, ะทิฏฐิบาบปปติญญาเป็นบันดกปติญญาเป็นคนลักกระเพดปติญญาเป็นผู้เข้ารีดเดียรถี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 ปติญญาเป็นอุพัโตพยัญชนกพึงมอบนวกรรมแก่ภิกษุอื่นด้วยสั่งว่าท่านอย่าให้ของสงส์เสียหายเมื่อยังไม่เสร็จควรมอบให้ภิกษุอื่นเมื่อทำเสร็จแล้วหลีกไปนวกรรมเป็นของภิกษุนั้นเองภิกษุศึกมรณภาพปติญญาเป็นสามเณร ลาสิกขาเป็นปาราชิกสงเป็นเจ้าของภิกษุวิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่านกระสับกระสายเพราะเวทนาถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตเพราะไม่ทำคืนอาบัตเพราะไม่สละทิฏฐิบาปนวกรรมนั้นเป็นของภิกษุนั้นเอง ภิกษุปติญญาเป็นบรนดอเป็นคนลักกะเพดเข้ารีดเดียร ถ, ถีปฏิญญาเป็นสัตว์เดียรฉานปฏิญญาเป็นคนฆ่าบิดามารดาปฏิญญาเป็นคนฆ่าพระอรหันต์ปฏิญญาเป็นคนประทุษร้ายภิกษุณีปฏิญญาเป็นคนทำร้ายพระาศาสดาจนห่อพระโลหิตเป็นอุพโตพยัญชนกสงเป็นเจ้าของ เรื่องภิษุนำเสนาสนะเครื่องใช้สอยประจำวิหารไปใช้ที่อื่นพวกภิกษุยาเกรงที่จะนำเสนาสนะไปใช้ในโรงอุโบสถเรื่องมหาวิหารของสงฆ์ชรุษทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยนผ้ากําพลเพื่อประโยชน์แก่พาติกรรมัมทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยนผ้าราคาแพง เพื่อประโยชน์แก่ภาติกรรมทรงอนุญาตให้ทำหนังหมีเป็นเครื่องเช็ดเท้าทรงอนุญาตเครื่องเช็ดเท้าทรงกลมทรงอนุญาตให้ทำผ้าท่อนน้อยเป็นผ้าเช็ดเท้าภิกษุไม่ล้างเท้าเหยียบเสนาสนะพิกษุเท้าเปียกเหยียบเสนาสนะภิกษุสวมรองเท้าเหยียบเสนาสนะ ภิกษุถมน้ำลายบนพื้นที่ทำบริกรรมเท้าเตียงและเท้าตัางครูดพื้นภิกษุพิงฝาที่ทำบริกรรมพนักพิงครูดพื้นภิกษุล้างเท้าแล้วยำเกรงที่จะนอนเรื่องประชาชนไม่สามารถจะจัดสังฆพัฒพวกภิกษุฉับพักขี ให้พัตนาหารเลวแก่ภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้แต่งตั้งพระพัตตุเทศภิกษุพัตตุเทศปรึกษากันว่าจะแจกพัตนาหารอย่างไรทรงอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุเป็นเสนาสนะปัญญาประกะัภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง ภิกษุผู้รับจีวรภิกษุผู้แจกจีวรภิกษุผู้แจกข้าวต้มภิกษุผู้แจกผลไม้ภิกษุผู้แจกของเคี้ยวภิกษุผู้แจกของเล็กๆน้อยๆยภิกษุผู้แจกผ้าภิกษุผู้แจกบาทภิกษุผู้ใช้คนวัดภิกษุผู้ใช้สามเณร พระผู้มีพระภาคผู้ทรงครอบงำสัพพธรรมทรงรู้แจ้งโลกมีพระหัตทถทเกื้อกูลเป็นผู้นำยอดเยี่ยมทรงอนุญาตเสนาสนะไว้เพื่อหลีกเร้นอยู่เพื่อความสุขเพื่อเพ่งพินิษและเพื่อเห็นแจ้งดังนี้แล เสนาสนะขันธกะจบ